สพระกร illah. กรหนึ่งถือพระคำกรหนึ่งถือช้อนกรหนึ่งถือหนังสือและอีกก่อนทรงถือแจอกันปางที่สพระพรหมปางการมลักษณะปางปิตามหามีสี่พระพักพระเกษาหมุนขมวดมีสพระกรกรหนึ่งถือหม้อกรหนึ่งถือช้อนกรหนึ่งถือหนังสือและอีกก่อนถือแจกัน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 ทรงสร้างใหม่ให้มีสามขาก็ไม่ลงตัวอีกที่สุดมาลงตัวที่สองขาจากนั้นจึงแยกวันนะต่างๆตามลักษณะพระวรากายของพระองค์วันนะพรามเกิดจากพระเสียรของพระองค์วันนะกษัตริเกิดจากพาหาของพระองค์วันนะแพทย์เกิดจากส่วนพระนาภีของพระองค์วัรณสูทอนหรือวรรณสูดเกิดจากพระบาทของพระองค์